นิทานเรื่องศิษย์ๆ ชาตินั้นนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นลูก และไม่เลือกว่าศิษย์คนนั้นจะมีฐานะเป็นเช่นไรจึงมีสิทธิ์มาสมัครเรียน เออพนมเธอมาจากไหนกันเนี่ยข้าพเจ้าเป็นชาว ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากเลยหลังจากได้ ชายหนุ่มก็ได้เข้าๆเอ่อท่านอาจารย์อาจารย์เออ งานมันเป็นงานหนักมากนะน่ะคืองานรับอืมเออถ้าฉันก็จะช่วยฝากให้ดีไหมล่ะขอบคุณมากอาจารย์ๆ อาจารย์วันหนึ่งทําพระราชาแห่งแควนกาสีที่พูดเอาไว้อืม ได้สิท่านอาจารย์ใครก็ตามทํามาจากอาจารย์ฉันรับไว้หมด อย่างน้อยๆศิษย์น่ะอาจารย์นี่อืมถ้าอย่างอยอยอยอย 100ก ให้ได้สักครึ่งนึงก็แล้วกันคือ 50 กหาปรรณะ ฮะโอ้ยเหนื่อยนั่งเออขอบใจขอบใจอาจารย์ดีใจด้วยนะพระราชาน่ะรับเธอเข้าเอ่ออ๋อ ก็อย่าง 50 ภาพนะใช่มั้ยนี่ท่านเอ่อ แล้วขอบใจอาจารย์มากนะจะไปกราบทูลพระราชาเอง หากๆเราก็ไม่ขัดหรอกอืม ได้เลยท่านอาจารย์ข้าพเจ้ายินอืมตกลงงั้นพรุ่งนี้ อาจารย์ได้กลับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าโปรดทัศน์ เชิญชวนอืมได้ถ้าหากว่า rock คิดไม่การแสดงความสามารถแข่งขันครั้งนี้ว่าศิษย์จะแต่เขาก็ยังไม่มีประสบการณ์ และคืนวันนั้นขณะที่ทุกคนหลับหมดแล้วชาญในกอละวิถี นั่นไปถือให้ช้างเรียนรู้ว่าต้องปล่อย รุ่งชามที่บริเวณหน้าลาน พร้อมด้วยช้างที่จะ <ไป. ไป. S 1> สิทธิ์ก็มีความสามารถได้อย่างนั้นผู้ จึงเสนอวิธีการประลองความสามารถครั้งสุดท้ายเสนอวิธีการประลองความได้ท่านอาจารย์ช้างสบายอยู่แล้วท่านก็ เอาเลยถือหมอบลงเฮ้ยอะไร ถึงตอนนี้ตอนนี้ชายหนุ่มเริ่มหน้าทอสีไปไปๆ ให้มันรู้ว่าใครเป็นใครฮะอวดอ้าวโอ้ บางคนต่างปากก้อนดิน สิทธิคิดล้างครูนั้นย่อมมีแต่ความวิบัติเหมือนชายหนุ่มกับอาจารย์ผู้มากด้วยเมตตาผลสุดท้ายชายหนุ่มก็ได้รับผลร้ายที่เกิดจากการกระทำของตนเอง